สิขาบทวิพังหนึ่พหนึ่งคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีพเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เพาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าชาบ้านได้แก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่ครองเรือน ที่ชื่อว่าปริพาชกได้แก่นักบวชชายคนใดคนหนึ่งผู้อยู่ในลัที่ปริพาโชกยกเว้นภิกษุและสมณีที่ชื่อว่าปริพาชิกาได้แก่นักบวชหญิงคนใดคนหนึ่งผู้อยู่ในลัที่ปริพาชิกายกเว้นภิกษุณีสิกขามานาและสมณีรีที่ชื่อว่าของเคี้ยวได้แก่เว้นโภชนะห้าน้ำและไม้สีฟันที่เหลือชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่ โภชนะห้าอย่างคือข้าวสุก ข, ขนมสดข้าวตูปลาเนื้อคำว่าให้คือให้ด้วยกายด้วยของเรื่องด้วยกายหรือด้วยการโยนให้ต้องอาบัตรายจิตตีให้น้ำและไม้สี่ฟันต้องอาบัตทุกก่